พุทธสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะอีกวันทาง FM ครอบครัว 106 แห่งนี้เราก็มาพบกัน ก็จริงๆแล้วเอ่อสิ่งที่ดิฉันอยากจะกราบเรียนถาม คนจะคิดปัญหาอะไรต่างๆนานาก็อยากจะกราบเรียนเฉพาะมุมที่ท่านคิดว่าเราจะอืมทําอย่างไร เพราะว่าเรารับรู้ถึงสิ่งที่มันดีไม่ดีเอ่อ เอ่อเป็นช่องที่มันผ่านเข้ามามันเป็นกระแสที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นคือคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายนอก เอ่อเป็นธรรมชาติที่พระอริชาบอกว่ามีการอยอย 3 อย่างนั่นเลเบลมันเลยว่านั่นคือความทุกข์ที่ ทุกข์เกิดขึ้นทุกอย่างทุกระบบทุกกระบวนการตัวเราภาษาต่างๆหูเรื่องราวต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสภาวะของมันสภาวะนี้เรียกว่าเป็นความทุกข์สภาวะ ความบาดทีมันเป็นทุกข์อยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะมันไม่ ถ้าเรามีเราจะจี๊ดเราจะทุกข์มากจะหวั่นไหวเหมือนลูกนกที่อยู่ในกํามือของเอ่อมารใจของเรา มันเกิดขึ้นอย่างนี้แหละตามเหตุปัจจัยใช่มั้ยคะธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้อ่าธรรมชาติก็จะเป็นแบบว่าเราเห็น ใช่มั้ยคะถ้าตามที่ท่านพูดอืมถูกต้องมันได้ค่ะเอ่อการที่ที่เราจะไม่เดือดร้อนตรงนั้นได้เนี่ยเป็นผล เพราะนั่นการที่เราถูกตัณหายึดไว้เนี่ยจะทําให้เรามาเป็นสัตว์ทําให้เรามาเห็นสิ่งอะไรสักอย่างใดอย่าง ให้มันอยู่ในเกณฑ์ของความควบคุมได้ไม่ให้ใจเราทุกข์มากเนี่ย<ใช> คือเหมือนกับว่าถ้าเราจําเป็นต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมอ่าที่เป็นคือภาสะเนี่ยมันเกิดแน่ใช่ นะเพราะฉะนั้นถ้าเราบ้างโมหะโทสะก็จะถูกควบคุมอ่าท่านพูดอืมแต่ควบคุมได้บ้างควบ 2 ระยะมั้ยคะหรือว่า อีก 2 ที่เราจะใช้ได้นะคือนี่แหละเอาลมหายใจของเรานะสตินี่ช่วยได้เอ่อ<ใช> 2 คือสติในสติอยู่ ในการที่จะพิจารณาข้อมูลด้วยข้อมูลชิ้นนี้มาเอ้ย นามีใครสักคนใดคนหนึ่งพูดอย่างใดอย่างหนึ่งออกมานะแม้แต่ตัวพระ คือการไม่ทําในใจโดยแยบคายหรือพูดง่ายๆคือคือไม่คิดวิเคราะห์ให้มันรอบคอบ <c oughs> นะมิญโญนิโสมนสิการคือการพิจารณาโดยแยกขายนะมันจะเป็นไปเพื่อสัมมาทิฐิเป็นไปเพื่อความเอ๊ะงั้นอ่ะเนาะใช่อืมเอ่อซึ่ง <Okay. S 1> 2 <Okay. S 1> เราควรจะต้องเป็นผู้ที่สังสมสุตตะบ้างทรงสุตตะๆเนี่ยเราจะต้องไปเปรียบเทียบหรือว่ามันตรงกับคําสอน <Okay. S 1> ประเด็นพวกพวกนี้ด้วยเนาะเราก็ค่ะอือนะคะก็เพื่อๆค่ะอีกอีก ในพุทธกาลในสมัยพุทธกาลเช่นพระเทวทัตอย่างเงี้ยนะเอ่อก็มีคนที่เขาไม่ชอบพระเทวทัตแต่แต่ว่า ซึ่งซึ่งปรารถนาดีในที่เนี้ยไม่ใช่หมายความว่าเราเป็นความหมายที่ส่วนหนึ่งด้วยแต่ปรารถนา เราจะไปมีเมตตาให้คนที่กําลังทํา นะซึ่งดีกว่าการที่จะไปทําให้เค้าคิดให้เค้าไม่ดีนะจิตเราเศร้าหมองค่ะอือแล้ว รู้ธรรมนะสามารถเอามาปรับประยุกต์ใช้ได้นี่แหละค่ะคือสุดยอดของการที่เราก็จะได้เกิด ตริหมดได้มากนะค่ะท่านเปตูนค่ะก็ต้องกราบนมัสการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้กรุณาให้ธรรมะแก่เนี่ยค่ะเจริญค่ะท่านฝั่งที่เคารพค่ะท่านเปตูนอภิปุญโญจะได้ฝ่าดอนหายทุกๆ นะคะมาบอกกับท่านให้ประยุกต์ให้เป็น